เมื่อคืนไปเขาดาวกันที่ไหนนะหลวงพ่อก็เขาดาวเหมือนกันนะเมื่อคืนเดินชมกลุ่มหน้ากุติโอ้พระจันทร์สว่างสวยปีใหม่แล้วก็มีความหวังหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นจะมีความสุขในี่ใครๆก็หวังนะให้มีกาลังใจแต่หวังอย่างเดียวมันคงไม่ดีขึ้น เราชาวพุทธเราไม่ได้ขอพอรแบบเรื่องรามาเกี่ยนพวกยักษ์จะขอพอรก็ไปนั่งอดข้าวบัมเพนตบะนะท่องคาถาบังคับให้พระพลม่มบังพระอิศวนหรืออะไรเงี้ยมาให้พรนั้นพรแบบขอคนอื่นเขาพอเขาให้พรตัวเองมานะเขาก็ต้องรีบไปให้พรคนอื่นเอาไ้ข่มกันไว้แก้กัน ในโลกมันเป็นของคู่คู่กันอยู่ให้คนนี้มีฤทธิ์เยอะนนก็ต้องให้คนนี้ไม่คอยปราบอะไรเงี้ยมันไม่ได้ให้ฟรีพวกเราชาวพุทธเราไม่เชื่อเรื่องการข อ, อย่ามาขอเลยพรเป็นไปไม่ได้เราเชื่อกรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าเราอยากมีความสุขอยากให้ชีวิตดีขึ้น เราต้องทํากรรมที่สมควรแก่ผลนะทําเหตุให้สมควรแก่ผลถ้าทําเหตุที่จะมีความสุขเราก็มีความสุขทําเหตุให้มีความทุกข์มันก็มีความทุกข์ทำกรรมชั่วนะแล้วมาขอพรขอหลวงพ่อบ้างขอพระพุทธรูปบ้างขอคนโน้นคนนี้นะขอกระทั่งต้นไม้อะไรเงี้ยภูเขาขอไปลห้ดไปปั้นรูปเทวดาให้มาแล้วก็ไปขอ ตักวก็เทวดานะั้นเราอย่างปั้นขึ้นมาเองเนะน้เราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอยากมีความสุขเพื่อไม่ต้องไปขอใครนะแต่ต้องทำเอาเองการทำคุณงามความดีทั้งหลายนะั้นกุศลนะความดีสิ่งที่ตามมาคือความสุขนะอกุศล น, นั้นสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ถ้าทำอกุศลยังไงก็ต้องมีความทุกข์รอยอยู่ข้างหน้า ง่ายๆนะแค่เมื่อคืนกินเหล้ามากไปหน่อยไหมเช้าขึ้นมาก็ปวดหัวอยังไงก็ต้องรับมิบากอะ่ะใครเคยกินเหล้ามีไหมใครกินจนเมามีไหมเริ่มร้นนนี่เปวดหัวไหมปวดเนาะปวดหัวนะคือไม่ว่าทําอากูสตอะไรนะเล็กๆน้อยๆนะมันก็มีผลในทางไม่ดีเกิดขึ้นเสมอแหละ อย่างน้อยก็สะสมสันดานที่ไม่ดีอย่างเด็กๆนะมีหนังสติกใครเคยเล่นหนังสติกไหมมีไหมเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งพ่อทั้งลูกเลยหรอทีแรกก็ยิงสัตว์ตัวเล็กๆก่อนต่อไปก็ยิงตัวใหญ่ๆขึ้น ค, คือทำอาคุลนะั้นมันก็สะสมความเคยชินอย่างน้อยก็มีผลเป็นความเคยชิน ถ้าเดินเอาหัวชนกำแพงยัไงไงก็เจ็บเะฉนั้นะเมื่อทำเหตุก็ต้องมีผลเราอยากได้ความสุขเราก็ทำเหตุที่ให้เกิดความสุขทำกุศลไว้ถ้ากุศลเราถึงพร้อมนะั้นเรามีความสุขเยอะมากเลยมีความสุขกุศลนัแปลว่าฉลาดไม่ใช่แค่ทำดีเฉยๆนะต้องทำด้วยความฉลาดดนะ้วยทำด้วยสติด้วยปัญญาอยางนีเป็นกุศลนันใหญนะ่ถ้าทำบุญ ไม่ประกอบด้วยสติปัญญานะเป็นบุญเล็กน้อยนะถ้าประกอบด้วยสติปัญญามานะโอ้เป็นบุญใหญ่อย่างตื่นเช้าเราไปใส่บาตรนะใจเราอยากทำบุญนะถ้าไม่ประกอบด้วยสติปัญญานะเราก็ไม่เห็นเลยว่าเราต้องสู้กับกิเลสมาหลายตัวแล้วกว่าจะใส่บาตรได้อันแรกเลยขี้เกียจตื่น ใส่บาตรไม่ใช่เรื่องง่ายนะสําหรับคนกรุงเทพคนกรุงเทพน่ น, นอนดึกขึ้นทกทีละกลางคืนจะไม่นอนนะะเอาเวลากลางคืนไปทําชั่วบ้างไปกลุ้มใจบ้างไม่ค่อยนอนเช้าตื่นไม่ไหวคนในใส่บาตรได้นะโหแทบจะเป็นมีรลสตรีไม่พูดถึงมีรลบุรุษไหมผู้ชายไม่ค่อยใส่หรอกนะคนมากคนใส่บาตรเราผู้หญิงตื่นชเช้าขึ้นมาคิดจะใส่บาตร ถ้ามีปัญญานะเห็นความขี้เกียจของตัวเองนะนี่จเจริญปัญญาแลตั้งแต่เช้าเห็นความขี้เกียจจะลุกขึ้นมานเวลาจะใส่บาตรไปเพเห็นปลาเดินมาว้ยองค์นี้หน้าตามไม่น่านับถือเก็บก่อนเอาขันเข้าบ้าน <c oughs> ใครเคยเป็นบ้างไหม <c oughs> มีเหมือนกันนี่มีไม่มกันแหละปลาปลายนะองค์นี้น่านับถือ เอาออกมาใส่ใหม่ในคำพีของเรานะในอัธกถาธรรมบทนะพูดถึงคนคนหนึ่งเขาใส่บาทใส่บาทเสร็จแล้วก็เห็นพระไม่น่าเริ่อมใสใจก็เศร้าหมองนะไม่รู้หรอกพระองค์เนี้ยที่ดูพิกลพิการเดินกับโหลูกกับเปล่นะท่านเป็นพระอรหันต์ไม่รู้นะใส่ไปด้วยใจที่ไม่เริ่มใสเลย พอเห็นพระอารัชีมานะสัมรวมมันจะเดินมานนิ่มๆมันเล่นเก่งนี่นส่วนพระแท้นก็ปลุกกระเพกก็ปลุกลกระเพกนั้นเดินไม่มีวางฟอร์มเดินเรียบร้อยแต่เรียบร้อยตามสไตล์ของท่านเจออารัชีมานั้นก็ดีใจนะใส่บาตร mm hmm. บุญไม่เท่ากั น, น mm hmm. ใจแต่บางคนก็ไปใส่บาตรกับพระอารัชีนะแล้วใจเป็นปลื้มได้บุญเยอะนะ อย่างนี้ก็ได้บุญเยอะเพราะว่าได้บุญเยอะในฐานะตัวเองปลื้มมากเนื้อนาบุญไม่ค่อยดีแต่พันข้าวนั้นดี<ม>อย่างนี้ก็มีนะมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งใส่บาตรแล้วก็พระองค์นี้เรียบร้อยมากที่มารับบาตรท่านก็สงสัยว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ท่านให้อมาดเนี่ยตามไปดูว่าพระองนี้ท่านอยู่ที่ไหนวันหลังจะได้ไปเยี่ยม ปรากฏว่าอิตานี่รับบาดเสร็จนะออกมาพ้นกำแพงทนะ่านน่ะถอดจีวรเลยข้างในใส่เสื้ออมานเห็นแล้วตกใจเฮ้ยนี่มันพระปลอมเข้าไปหาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินถามว่าพระท่านไปไหนแล้วท่านบอกอมานก็ตอบพระเจ้าแผ่นดินนะอมานนี้ซื่อสัตย์พอท่านพ้นวางออกไปนะผากาสาวพัดนั้นก็อันตรธานไป พระเจ้าแผ่นดินโอ้ท่านหายตัวไปปลื้มมากเลยนะโอ้ปลื้มได้บุญเยอะเลยนี่ยอมรรเคยไปอ่ำพระเจ้าแผ่นดินไหมต่อมาวันหนึ่งเนะ่ยตัวเองเกิดได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาใส่บาทแบบเดียวกันเนะนี่ยตอนที้ไปใส่พระดีเขาจริงๆนะแล้วก็พระองค์นั้นอันตรทานไปจริงๆเนี่ยใช้คนตามไปดูนะอมรรมาบอกอมรรอีกคนหนึ่งนะคนใหม่นะมาบอกพระเจ้าแผ่นดินใหมนะ่ว่า พิกสวงนี้พอออกพ้นวางก็อันตรธานไปนึกเลยนี่มันบอกแบบที่เราบอกเลยนี่คืออะไรคืออกุศลเห็นไมอกุศลเล็กน้อยมากเลยนะคือเจตนาดีกับพระเจ้าแัยนดิโดงก่อนเลยไม่อยากให้เสียใจแต่โกหกไว้โกหกไว้พอคนอื่นเข้ามาพูดความจริงนะนึกว่าเขาโกหกใจเศร้าหมองนะจิตเศร้าหมองนะโมโหมันนั่งด่ามันให้นี่พระลอมนั่งด่ามัน ดาวพระหรหันต์ก็อยง น, นีงั้นกรรมชั่วน ะ, ะเฉล็กจะน้อยแค่ไหนก็มีผลถ้าเราอยากได้ความสุขจริงเราก็ไม่ทําความชั่วถ้าเราสร้างคุณงาความดีไปพอสมควรนะยังไงก็ต้องมีความสุขคุณงามความดีมีตั้งหลายขั้นหลายตอนคุณง่ายๆแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเราค่อยๆฝึกสร้างคุณงามความดีไปทุกๆอย่างนะ ไม่ใช่เจริญตัญญาอย่างเดียวนะบางคนเข้าใจผิดว่าเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วพอละไม่พอหรอกเวลาที่เราจะข้ามภพข้ามชาติจริงๆรนะิบารมีของเราต้องเต็มบารมีเราต้องครบทุกอย่างเพราะว่ารมีทุกอย่างเนี่ยทําไปเพื่อส่งเสริมการละอัตตาตัวตนละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนละความยึดถือในอัตตาตัวตนจอมปลอมซึ่งมันไม่มีแต่ไปยึดมันนะนั้นบารมีทั้งหลายเนี่ย ต้อสั่งสมไปความดีทั้งหลายอย่างเวลาเราภาวนาถึงจุดแตกหักจะข้ามภพข้ามชาติคนที่ทําสมาธิมามากจะเห็นทุกจะพ้นไปด้วยการเห็นทุกข์ทุกข์จริงจิตซึ่งเป็นตัวรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยกลายเป็นผู้ทุกข์ล้นๆแสนสาหัสขึ้นมาทุกข์เหมือนจะตายนะถ้านั่งต่อไปไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้อยู่ที่ภาวนาอยู่เนี้ยตายแน่นอนเนี่ย ในใจรู้สึกอย่างนี้เลยถ้าเราบารมีไม่พอเราก็ถอยไม่เอาดีกว่ารักษาชีวิตไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาภาวนานะตายแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ภาวนาเนี่ยกลัวอย่างนี้กันหลอกหลอกลวงสารพัดเลยแต่ถ้าบารมีเราเต็มนะเราเคยสร้างฐานน้บารมีเหนหฐาน้บารมีนะเคยสละเคยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะกระทั่งชีวิตเนี่ยเพื่อธรรมะถ้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเนี่ยเป็น ปรมัตถบารมีและบารมีชั้นสูงสุดล้กล้าสละตัวเองนะสังเกตดูเถอะประมามัตถบารมีทั้งหร่นี่ถึงขั้นสละตัวเองทั้งนั้นเลยนะอย่างพญานาคชื่อภูริทัศน์มีริเยอะนะคนนึกว่า ง, งูหมอ ง, งูมาจับเอาไปเล่นกลจะฆ่าหมองูก็ได้นะจะทําก็ได้จะทําร้ายก็ได้แต่ไม่ทำนะยอมยอมอับอายใครหน้ายอมลําบากยอมเจ็บยอมอะไรเงี้ยนี่เพราะรักษาศีล มีเป็นศีลขั้นปรมาติล ะ, ะยอมตายเพื่อรักษาศีลกล้าสละชีวิตเป็นฐานเนี่ยคนที่เคยฝึกมานะสร้างบารมีมาแก่กล้านีสุดท้ายมันกล้าสละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเพราบารมีเท่าไหร่นะสะสมไปแล้วมันสละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปได้มีปัญญาบารมีก็เห็นว่าตัวเราไม่มีโลกนี้มีแต่ความทุกข์เป็นปัญญาตัวตนอะไรไม่ใช่ตัวสุขนะ มีเน่ฆ amma บารมีกล้าสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไกายเพื่อจะเอาธรรมะคือกล้าสละชีวิตกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะนี่เรียกว่าคนมีบารมีเต็มนะพวกนี้แหละบรรทุก ผ, ผ้าระหันได้ น, ะนก่อนที่บารมีจะเต็มก็ต้องสร้างไปเรื่อยนะบารมีสิบอย่างย่อๆมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาใหนะ้เราค่อยสร้างเอาศีลนะก็เป็นศีลบารมีนะ มีศีลนันไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสทําชั่วแล้วไม่ทําเรียกว่ามีศีลไม่ใช่คนมีศีลนมีโอกาสทําชั่วก็ไม่ทำ น, นี่ถึงจะเรียกว่ามีศีลตาแก่คนหนึ่งอายุ1้อยปีสมมุติเอาให้มากๆากเลยเห็นสาวสวยเดินมาสาวทำผ้านุ่งหลุดด้วยตอนนี้นะจิตมีราคะเกิดขึ้นมันยังมีได้นะมันเห็นสวยๆมันชอบเมนคุ้นเคย แต่ไม่มีปัญญาไปเป็นชั่วคเขาเดินยังเดินไม่ได้เลยนอนหายใจขแมวขแมวอย่างนี้เรียกว่ามีสินไหไม่เรียกนะเด็กเกิดใหม่เด็กแรกเกิดนะขโมยอะไรของใครไม่เป็นเอาของอะไรมาวางไว้ก็ไม่เอานะก็ไม่เรียกว่าเป็นศีนสีนเนี่ยต้องประกอบด้วยเจตนาที่งดเบนมีโอกาสทําชั่วแล้วไม่ทํานะ มีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำเราลองวัดใจของเราดิมีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำเราจะทำหรือไม่ทำนะถ้าเราไม่ทำเรื่องว่าโอ้เราเด็ดเดียวเราตั้งใจเด็ดเดียวเียเป็นบารมีของเราเป็นศีลศีลทำไปเพื่ออะไรประโยชน์ของศีล น, นะทำไปเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะพ้นจากความผิดความบาปทางกายทางวาจานะกายวาจาเรียบร้อยนะต่อไปก็ฝึกให้มีสมาธิขึ้นมา สมาธิไม่ใช่แค่นั่งเข้าฌานไม่ตื้นแค่นั้นหรอกสมาธิมีทั้งเยอะแยะเลยอย่างคนไหนขี้โมโหน ะ, จะเจริญเมตตาไปจเจริญเมตตาไปเรื่อยๆมันสร้างเมตตาบารมีนะเป็นเมตตาขึ้นมาก็เป็นบารมีอีกอย่างหนึ่งจะค่อยๆฝึกไปบารมีมีเยอะแยะ10อย่างบางอย่างก็อยู่ด้วยศีลบางอย่างก็อยู่กับสมาธิบางอย่างอยู่กับปัญญาจะค่อยๆฝึกไป ฝกึกเบกขาเห็นไหมนี่เป็นเรื่องของสมาธินะค่อยฝึกวิธีฝึกสมาธิง่ายๆนะจิตจะมีสมาธิถ้าจิตมีความสุขปัญหาอารมณ์ที่เป็นกุศลนะอารมณ์ที่เป็นกุศลที่ไว้เมื่อจิตเราไปรู้แล้วจิตเรามีความสุขเราไปรู้อารมณ์นั้นบ่อยๆอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะฝึกรู้ลมหายใจมาแต่เด็กนะหายใจแล้วมีความสุข เงื่นเวลาทำสมาธิหลวงพ่อไปหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนี่ยฝึกได้ไปนะให้ใจให้สติมันรู้ร่างกายนี่หายใจสติมันรู้อยู่นะใจสบายมีความสุขขึ้นมาใจก็สงบนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านหัดทําความสงบด้วยาการเพ่งกสินเพ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านก็ไม่สงบนะเพราะท่านอยากสงบงจุดเทียนขึ้นนานนั่งเพ่ง เมื่อไรจิตจะสงบจิตไม่สงบแล้วจิตไม่มีความสุขวันหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงนะท่านนั่งอยู่หน้ากุติท่านเห็นพระจันทร์สวยงามจิตใจท่านมีความสุขขึ้นมานะเอาพระจันทร์นั่นแหละเป็นบริกรรมนิมิตนะไม่เห็นต้องไปจุดไฟที่ไหนเลยท่านดูพระจันทร์นะจิตท่านมีความสุขแนละ้วจิตท่านสงบนะี่สมาธิมันมาจากความสุขต้องรู้จักเลือกว่าอารมณ์อะไรที่มันไม่ใช่อกุศลนะ าอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วมีความสุขก็อย่าไปทําเพราะว่ามีผลเผ็ดร้อนไม่ดีทําอารมณ์ที่เป็นกุศลไหมหรืออย่างน้อยก็อารมณ์กลางๆอย่างดูพระจันทร์นะพระจันทร์ไม่ได้เป็นกุศลอกุศลอะไร้ดูพระจันทร์ดูไปสบายๆถ้าดูไปแล้วจิตเกิดราคะนี่เกิดอกุศลดูไปแล้วจิตสบายมีความสุขเกิดความสงบนี่เป็นกุศล ดูไปแล้วจิตมีราคะมีสติรู้มีราคะนี่เป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เรื่องสมาธิแล้วเป็นเรื่องการเจริญปัญญาคนละแบบกันงั้นเราหาอารมณ์ที่สบายนะมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นคนไหนพุโทโธแล้วสบายอยู่กับพุโทโธคนไหนหายใจแล้วสบายอยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วสบายอยู่กับท้องพองยุบคนไหนถนัดทําจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนก็รู้ทําจังหวะไปนะ ลวงพ่บางทีนะหลวงพ่ อ, อยังใช้พัดเลยอมีพัดหรือที่ไหนก็มีพัดเนี่ขยับไปด้วยความรู้สึกตัวจิตใจสบายแหมลมพัดมาเย็นใจสบายใจก็สงบนี่ได้สมถนะนะพัดไปพัดไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เห็นแขนเคลื่อนไหวนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวคือเวลาเห็นรูปมันเคลื่อนไหวมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นแขนเราอะ เห็นเป็นธาตุเป็นก้อนอะไรนี่นะที่มันเคลื่อนไหวนี่เห็นมันรูปเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูเห็นรูปนี้มันไม่คงที่นะเห็นใจมันไม่คงที่นั่งพัดอยู่นี้เองนี้เป็นการเดินปัญญาทํำวิปัสนางั้นงานอย่างเดียวกันนะดูให้ดีเถอะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะแล้วส่วนใหญ่ที่พวกเราทำมันไปติดอยู่แค่สมถะคือไปน้อมใจให้นิ่งอยู่เฉย เพราเราหัดไปเรื่ยนะให้ใจเรามีความสุขทุกวันทุกวันก็ฝึกไปเรื่อยให้ใจอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะบางทีหลวงพ่อทํางานหนักสมัยเป็นคารวะพอถึงวันหยุดนะภาวนาไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วเหนื่อยเต็มปดานะชวนกับแม่ฉี่ตอนนี้ยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่หลวงพ่อไปชวนแม่ฉี่ไปนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะพากันไปไปตามวัดไปไหว้พระวัดโ น, น้นวัดนี้ เห็นเก่งไหมพระพุทธรูปแต่ละองค์แต่ละวัดชอบยิ้มเราไปนั่งดูนะโอ้องค์นี้ยิ้มหวานดูแล้วมีความสุขได้สมาธินะจิตใจมีความสุขให็หมเราดูพระจิตใจเรามีความสุขก็เป็นสมาธิขึ้นมาเสร็จแล้วออกไปหน้าวัดนะเขามีวางมัดฉาในหลายวัดหากินกับทางปลานะพระท่านเลี้ยงปลาไ้เยอะเลยเพื่อให้คนไปซื้อขนมปังเลี้ยงปลาจริง แว่าไปอาให้อาหารปลาใช่ไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศ ล, ลแต่ถ้าเอาเบ็ดเกี่ยวเข้าไปด้วยนี่จิตอกุศลใช่ไหมถ้าให้เหยื่อใช่เฉยให้อาหารเฉยเฉยไม่ใช่เหยื่อให้อาหารไปเนะี่จิตเป็นกุศลเห็นปลามากินมีความสุขนะตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่เนะี่ยจิตใจเรามีความสุขจิตใจมีความสงบขึ้นมานะนี่ได้สมาธิและ้นะจิตใจสงบจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัว ถัดไปแล้วทากุศลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นดีคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยต้องค่อยๆหัดแย ก, กรูปธรรมนามาทำออกจากกันนะเบื้องต้นก็หัดรู้ ก, กายรู้ใจนะรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเวลาใจเรามีสมาธินะั่นจะรู้สึกตัวง่ายจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจเราไม่มีสมาธิมาก่อนนะใจมันร่อนเร่มันหิวอารมณ์มันไม่มีความสุขมันเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขเที่ยวหนีอารมณ์ที่มีความทุกข์ไปเรื่อย จิตใจจะวิ่งพล่านๆไปอย่างเวลาที่ใจเราไม่สงบใช่ไหมมันอยากโน้นอยากนี่อุตรุดเลยใจจะวิ่งตลอดเลยแต่พอใจเราสงบนะใจเราไม่หิวอารมณ์อะไรใจมันตั้งมั่นมันสงบมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันมารู้กายรู้ใจได้ง่ายต้องต้นรู้กายรู้ใจก่อนนะอย่างเรานั่งสมาธิหรือเราหายใจหรือเราเดินจงกรมอะไรก็ตา ม, มาเราดูไป ร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้านะร่างกายที่คู้ที่เหยียดเนี่ยที่คู้ที่เหยียดขยับนะร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งสิ้นค่อยๆฝึกอย่างนี้นะเห็นไหมร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตมันไปรู้เข้านะนี่บางคนไม่จําเป็นต้องฝึกนะ บางคนเคยสร้างบารมีมาแล้วพอจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยมันเห็นเลยมันแยกเองเห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาหรือความสุขทุกข์มันแยกออกไปสังขารที่เป็นกุศลอกุศลที่เป็นกลางกลางก็แยกออกไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็แยกออกมานะอันนี้สําหรับคนซึ่งมีบารมีเคยฝึกมาแล้วอย่างบางคนมาหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกหัดดูสภาวะไปกระทั่งใจเป็นตื่นรู้สึกตัวขึ้นมา แปลงฟันอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติเลยก็รู้สึกคือมาร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายแล้วมันเป็นอะไรสิ่งหนึ่งไม่เรียกว่าร่างกายแล้วที่จริงคือรูปนเนี่ยเราเข้าไปถึงรูปเลยที่แรกก็เห็นกายกันพอจิตตั้งมั่นหลุดออกจากสมมติบัญญัติได้นะมันจะไปเห็นรูปแล้นะเป็นเบื้องต้นกระดูกไก่ไปพอจิตตั้งมั่นจริงๆก็เห็นรูปเห็นเลยตัวที่แปลงฟันอยู่นี้ไม่ใช่เราแล้วที่ส่องกระจกอยู่นั้นไม่รู้ว่าใคร มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันก็รูปแค่ที่ปรากฏให้ตาเห็นเท่า น, นั้นที่นอนอยู่นะหรือว่าถูสบูออบสบ่อยู่อาบน้ําถูสบู่อยู่ฉับพลันนั้นจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเลยนี่เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ น, น, นะแข็งแข็งอ่อนๆ่อนอะไรนี่ยนี่แหละตัวรูปรูปอะไรที่เป็นท่อนๆแข็งแข็งอ่อนอ่อนนียรูปดินเนะี่อใจมันจะไปเห็นรูปนะ ถ้าบางคนมีสติขึ้นมาใจก็เห็นรูปใจก็เห็นนามเห็นเลยความสุขความทุกข์อยู่ต่างหากเห็นเลยกุศลอกุศลอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากอีกจนะเห็นอย่างนี้เนี่ยคนซึ่งเคยสร้างมาแนละ้วถ้าคนไหนยังไม่ได้สร้างมานะก็รีบสร้างซะยังไม่สายเกินไปไม่ยากนะเบื้องต้นนะทำกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนนะจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยรู้สึกเอา ใช้ความรู้สึกนะอย่าใช้คิดเอารู้สึกเอารู้สึกเอารู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่รู้สึกไปเรื่อยเราเห็นใจเป็นคนดูนะบางคนแค่รู้สึกมันก็ไม่ยอมรู้สึกนะอันนี้ต้องช่วยมันคิดนี่ยลดระดับลงมาอีกช่วยมันคิดในร่างกายเหมือนถ้หนะ้าเหมือนเปลือกนะจิตมาอาศัยอยู่ในกายชั่วครั้งชั่วคราวต่อไปร่างกายก็ตายนะ น, นี่ช่วยมันช่วยอย่างมากๆเลยนะ นีบางคนพิจนาไปพิจนาไปร่างกายสลายไปเลยเหลือแต่จิตอันเดียวก็เลยรูย้อ๋อกายกับจิตนี้คนละอันกันหลังจากนั้นนะเวลาปฏิบัติง่ายแล้มีจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรูน้นี่บางคนไม่ต้องช่วยมากบางคนแค่นั่งหายใจไปแล้วเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่นี่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูแค่นี้กายกับจิตก็แยกออกจากกาันละพอกายกับจิตแยกออกจากกันแล้วคราวนี้มันจะไม่รู้กายน้ะจะรู้รูป จะเป็นอีกสเตปหนึงอีกระดับหนึ่งเห็นอะไรไม่ใช่เห็นมือละแต่เห็นรูปนะเห็นอะไรไม่ใช่เห็นพัดนะเห็นรูปรูปนี้คืออะไรคือสีสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้สมมุติบัญญัติเรียกว่าพัดนะเมื่อถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ้าทัลุสมมติบัญญัติถ้าไปเห็นอารมณ์ปรมาทัลได้เห็นรูปเห็นนาม อย่างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเงี้ยใจเป็นคนดูมันเห็นความสุขความทุกข์อยู่ต่างหากนะอย่านี้มันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นเใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นว่ากุศลอกุศลนั้นไม่ใช่ตัวเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นอยู่นะมันจะเห็นจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนี่จิตก็ไม่เที่ยงนะ จิตเดี eta, uk, uk, ๋ยวเป็นผู้ดูเดี๋ยวเป็นผู้ฟังเดี๋ยวเป็นผู้คิดนี่ก็ไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆอันนี้ก็ไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวไม่หดหูเนี่ยมีแต่เกิดแล้วดับไปทั้งหมดเลยนะนี่รุนแต่ของไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาเจริญปัญญาทําไปเพื่ออะไรเพื่อถถออดดนนความเห็ผิ และหน้าที่ของความดีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันหน้าที่ของศีลนะทำให้เราพ้นจากการทำผิดบาปทางกายทางวาจาหน้าที่ของสมาธิทำให้เราพ้นจากความผิดบาปทางใจใจที่มันฟุ้งไปหากิเลสนานาชนิดพาจิตเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไหลไปไม่ฟุ้งไปรักษาใจเอาไว้ได้ศีลนั้นรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อย สมาธิจิตใจตั้งมั่นสงบอยู่ไม่ฟุ้งไปเป็นการรักษาจิตใจเอาไว้นี่เป็นความดีของศีลของสมาธิส่วนความดีของปัญญานั้นละความเห็นผิดทำลายความเห็นผิดคนละอันกันใช่ความเห็นผิดไม่ใช่การทำผิดทางกายทางวาจาความเห็นผิดไม่ใช่การทำความฟุ้งซ่านในใจเฉยๆเป็นความไม่รู้ความไร้เตียงสาความโง้ อาศัยการเจริญปัญญาเนะี่ยมาทำลายความเห็นผิดถ้าต้องการพ้นทุกข์จริงๆต้องทำลายความเห็นผิดจริงๆศัตรูของชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นเลยคือความไม่รู้นั่นเองพุทธะแปลว่ารู้ศัตรูของพุทธะก็คือความไม่รู้ความหลงความโง่อาวิชานะความไม่รู้อะไรความไม่รู้ที่เป็นหัวโจกที่สุดเลยความไม่รู้อริยสัจนะไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยไม่รู้ว่าอะไรคือนิโรธไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคไม่รู้ว่าหน้าที่ต่อทุกเป็นยังไงไม่รู้หน้าที่ต่อสมุทัยไม่รู้หน้าที่ต่อนิโรธไม่รู้หน้าที่ต่อมรรคนี่ไม่รู้อริยสัจสี่รวมทั้งไม่รู้หน้าที่ด้วยไม่รู้ถัดจากนั้นนะจะไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตไม่รู้รูปนามในอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท มีความไม่รู้นะมีหลายชั้นหลายเชิงมากเลยลึกลับซับซ้อนถ้าเราอยากมีความรู้เราก็ต้องภาวนานะเอาเจริญปัญญานะวิธีจเจริญปัญญาเนะีเบื้องต้นรักษาศีลไว้ก่อนแล้วก็ฝึกใจนะให้มันอยู่ยกับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตใจลืมเนื้อลืมตัวถ้าจิตใจลืมเนื้อลืมตัวเดินปัญญาไม่ได้พวกเราลืมตัวเองทั้งวันหาคนที่รู้สึกตัวหายากที่สุดเลยจิตมันลืมตัวเองเพราะมันไม่ตั้งมัน่น ไม่มีสมาธินะมันหนีออกไปข้างนอกลืมตัวเองหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหนีไปหารูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะธรรมารมนะคือเรื่องราวทางใจทั้งหลายนจิต น, นี้ตลอดเลยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่อยฝึกขึ้นมานะให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตห น, นีไปเรารู้จิตห น, นีไปเรารู้นี่ฝึกอย่างนี้ก็ได้นะหรือทําสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอันใดอันหนึ่งไม่ใช่สมาธิที่เคลิม้มเคลิม้มลืมเนือ้อลืมตัวเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ หายใจด้วยความรู writer, me, Hence, ้สึก oh ตัวอยู่ใช้ได้เดินจงกรมด้วยความรู้สึกตัวใช้ได้เห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบด้วยความรู้สึกตัวไม่ไปเพ่งซึมอยู่ที่ท้องนะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะขยับมือด้วยความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยไม่หลงไม่เผลอไปรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ฝึกรู้สึกตัวไว้นะใจได้สมาธินะใจจะอยู่กับเน้อกับตัวใจตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจตั้งมั่นแล้วคราวนี้ดูกายทํางานดูใจทํางาน ดูมันทำงานไปเราจะเห็นเลยว่าพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมานะร่างกายเนี่ยจะไม่ใช่ร่างกายแล้วไม่ใช่มือไม่ใช่เท้าไม่ใช่ทองแล้วนะแต่จะเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมความจริงไม่มีชื่อหรอกคำว่ารูปธรรมก็ยังเป็นการใส่สมมติบัญญัติลงไปนะเพราะว่าอารมณ์ปรมัต์จริงๆไม่มีชื่อแต่ว่าอาศัยสมมุติบัญญัติทาให้พูดกันรู้เรื่องนะพระอราหันต์มีสมมติบัญญัติหมมี ถูกต้องไม่มีก็พูดกับใครไม่รู้เรื่องใช่ไหมงั้นเดินข้ามถนนนะเห็นไฟเขียวอยู่ไฟเขียวอยู่ทางนี้นะไฟแดงอยู่ข้างหน้าไม่รู้สมมุติบัญญัติก็เดินไปรถก็เหยียบเอาะนี่แต่ถ้าเมืองไทยนะเห็นไฟเขียวอยู่ข้างหน้าเดินไปรถก็เหยียบอยู่ดีแหละ <c oughs> นะงั้นอย่ามวัวดูไฟให้ดูรถเอแต่ <c oughs> <c oughs> วัฒนธรรมแต่ละถิ่นไม่เหมือนกัน <c oughs> ต้องฉลาดนะไม่ใช่ รู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวขั้นแรกเลยรู้สึกตัวอย่าใจลอยนั่นศัตรูเบอร์หนึ่งคือใจลอยใจลอยคือไม่มีสมาธินั่นเองลืมเนืลืมตัวงั้นรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆหลายคนนะรู้สึกตัวแล้วอยู่เฉยๆแล้วพอใจที่จะอยู่เฉยๆด้วยบางทีถึงจะสอนกันนะพรู้สึกตัวแล้วให้อยู่ในว่างๆเงี้ยให้รู้สึกตัวไปว่างๆไม่ยึดไม่ถืออะไรสักอย่างอยู่ในความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน นะการน้อมจิตไปอยู่ในว่างๆในอากาสานัญายยตนะในอากินจัญญายตนะในช่องว่างหรือในความไม่มีอะไรเป็นสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่การเดินปัญญานะเพราะฉะนั้นเมื่อใจเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วอย่าไปรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ว่างอยู่เฉยๆอย่างนั้นเรียกว่ากรรมฐานซื่อบื้อแล้วไม่เดินปัญญาใช้ไม่ได้วิธีเดินปัญญานะค่อยๆดูไป ถ้าพวกอินทรีย์แก่กล้ามันเห็นเองเห็นรูปเห็นนามมันแยกออกไปถ้าไม่เห็นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละคอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆหรือร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูนะดูไปดูไปมันจะเห็นเลยมันมีความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายเราก็เห็นเลยเออตะกี้ร่างกายไม่ได้ปวดเมื่อยตอนนี้มีความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามา ถ้าเรามีสติตามดูอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยกับร่างกายนั้นเป็นคนละอันกันนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีหลังให้ความปวดความเมื่อยมันเป็นขันอีกขันหนึ่งไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเลยจิตเป็นคนไปรู้เข้าใช่ไหมเราแยกได้สามขันนะ ไ, ไหมแยกรูปออกมาได้นะแยกเวทนาคือความปวดความเมื่อยออกมาได้รูปนี่เห็นรูปมันนั่งอยู่เห็นเวทนาที่แทรกเข้ามาในรูปใจเป็นคนดูพอความปวดมันเพิ่มขึ้นนะใจชักกระสับระส่ายแล้ว ความกระสับกระส่ายเนี่ยเป็นอีกขันหนึ่งชื่อสังขารขันค่อยๆยามตีหงุดหงิดใจมันหงุดหงิดที่มาปวดมากๆชักหงุดหงิดแล้วชักโมโหแล้วหรือเกิดโลภอยากให้หายปวดนี่เกิดโลภขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยเป็นอีกขันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ความปวดความโกรธกับความปวดโคละอนกันรู้สึกไหมความปวดกับความโลภความรักเนี่ยคล้านกันเห็นไหมความปวดกับความใจรอยโคล้านกันเห็นไหม คนละขันกันนะคนละอย่างเลยไม่ค่อยดูไปนาเวละร่างกายมันมีความปวดแทรกเข้ามามากๆนะใจมันทุรนทุรายไปด้วยนะเราก็จะเห็นเลยความทุรนทุรายเป็นอีกขันหนึ่งไม่ใช่ใจด้วยใจเป็นคนไปรู้ว่าทุรนทุรายนะเนี่ยแยกขันออกไปนะในสุดก็มีได้หลายขันนะอย่างน้อยได้สี่ขันแลเห็นรูปอยู่อันหนึ่งรูปมันนั่งอยู่เห็นความเจ็บปวดที่แทรกเข้ามาในรูปนี่คือตัวเบทนะขันเห็นความกระสับกระสายของจิต ความทุรนทุรายของจิตนี่คือสังขารขันจิตคือคนรู้คนดูคือวิญญาณขันนี่แยกขันออกไปพอแยกขันได้เนี่ยการปฏิบัติเมื่อแยกขันได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วง่ายสุดๆแล้วดูขันมันทางานขันนะเมื่อมันแยกออกไปเป็นแต่ละขันแต่ละขันแล้วมันจะทําหน้าที่ของแต่ละตัวเองเวทนาขันก็ทําหน้าที่สุขไปทุกไปเฉยๆไปสังขารขันก็หน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วนะ จิตก็บวิญญาณอาคารก็ทําหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวก็รู้ที่ตาเดี๋ยวก็รู้ที่หูเดี๋ยวก็รู้ที่ใจนะนี่มีแต่หมุนเวียนไปได้วยเลยร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายนะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานหนาวไปก็ถูกบีบคั้นร้อนไปก็ถูกบีบคั้นหิวไปก็หายไปถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เราดูใส่นะ เมื่อขันแต่ละขันทํางานแล้วเรามีสติมีปัญญาตามรู้ไปด้วยนะเราไม่เข้าไปแทรกแซงขันแต่ละขันทํางานเราไม่เข้าไปแทรกแซงความทุกข์ทางใจจะไม่เกิดขึ้นมันจะเห็นนะขันก็ทํางานของขันนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ขันนั้นมารวมกันแล้วเราเข้าไปหมายว่านี่เป็นตัวเราความทุกข์ทางใจมันจะเกิดขึ้นนะงั้วเราค่อยๆฝึกนะฝึกจนใจเราตั้งมั่นขึ้นมาสบายรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วพอ ร, รู้สึกตัวแล้วไม่อยู่เฉย เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเห็นเวทนาทำงานเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลทำงานไปเห็นจิตทำงานด้วยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเนี่ยตามดูเขาทำงานไปเรื่อยนี่คือการเดินปัญญานะการเดินปัญญาเราเห็นมันทำงานไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งปัญญามันเกิดเออมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันมีเหตุมันก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้ นี่เราเริ่มรู้ความจริงแล้วรูปธรรมนามรทำทั้งหลายพอกระจายตัวออกไปนะเรียกว่านำรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้ถัดจากนั้นเราจะเห็นในรูปธรรมนา ม, มารมแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ได้เกิดลอยๆหรอกมีเหตุแล้วเกิดนะบังคับไม่ได้รู้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของมันรูปบางอย่างเกิดจากจิตเนี่ยรูปบางอย่างเกิดจากกรรมเนี่ยมีหลายแบบรูปที่เกิดจากจิตเช่นรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งน จิตมันสั่งรูปมันก็เคลื่อนไม่ใชอ่อยู่รูปมันเคลื่อนแต่บางทีเกิดจากกรรมก็มีนะตัวตัวรูปที่เราได้มาเกิดจากกรรมเนืกรรมมัชรูปตัวนี้ก็แปรลพลวนไปหมดกรรมเมื่อไหร่หรือกรรมที่ส่งผลให้มันมาเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่หมดไปเมื่อไหร่มันก็แตกสลายเมื่อนั้นนะงั้นชีวิตก็ถึงจุดหนึ่งนะหมดกรรมที่ส่งผลมาให้ได้รูปนี้รูปนี้ก็แตก นะบางทีแตกเร็วกว่ากำหนดนะเพราะจิตมันสั่งมีเชื้อคอตายนะืตัวเวทนาก็มีเหตุนะเวทนาก็มีเหตุให้เกิดนะตัวธาตุแต่ละธาตุก็มีเหตุให้เกิดธาตุดินก็มีเหตุนะธนะาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็มีเหตุตัวความสุขความทุกข์ก็มีเหตุตัวกุศลอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเหตุรวมความก็คือเราภาวนานะเห็นสภาวะไป ต่อไปเรารู้เลยสภาวะทั้งหร่ไม่ได้เกิดลอยๆอหรอกมีเหตุให้เกิดนะแลเรารู้เลยมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับนะสุดท้ายจะเห็นแต่สภาวะที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับสุดท้ายจะเห็นเลยไม่มีเราหรอกนะเอาไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับนิมนต์